ในสมัยพุทธกาลนะมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนตรหนีพระพุทธเจ้าก็ไปเตือนสติน ะ, ะเศรษฐีคนนั้นนะก็ตัดสั้นๆนะว่ามีน้อยก็ให้น้อยนะมีปานกลางก็ให้ปานกลางมีมากก็ให้มากนะแล้วก็ตัดต่อไปว่าเนี่ย ผู้กินคนเดียวนะย่อมไม่ได้ความสุขดอกนะผู้กินคนเดียวนี่ย่อมไม่ได้ความสุขนะก็ตัดง่ายๆนะก็ทําให้เศรษฐีนั้นเปลี่ยนใจนะมาให้ทานาการกินคนเดียวนะก็ได้ความสุขแต่เฉพาะตัวแล้วก็ชั่วคราวนะแต่ว่าถ้าให้คนอื่นนะมันก็ทําให้ เกิดความสุขใจตามมาแล้วก็อาจจะเป็นสุขที่ยั่งยืนอาจารย์พุทธทาสันพูดวันนี้อาหารที่เรากินนะถ้าเรากินคนเดียวมันก็ไม่กี่ชั่วโมงมันก็กลายเป็นอุจจระนะแต่ถ้าเราให้คนอื่นด้วยนะมันก็ไปอยู่ในใจเขานะเกิดความรู้สึกเกื้อกูลกันนะในศาสนาพุธการมีเศรษฐีคนอีกคนหนึ่งนะ ทีแรกก็ตันหนีทีเหนียวแต่ตอนหลังก็หันมาเห็นคุณค่าองการให้ทานก็ถึงกับปฏิญาณว่าหากวันไหนนะไม่ได้ให้ปันหรือไม่ได้แบ่งปันก็จะไม่กินแม้แต่น้ำนะก็คือว่าต้องแบ่งปันก่อนหรือให้ทานก่อนนะถึงจะกินได้นะเป็นวัดข้อปฏิบัติของเศรษฐีคนนี้เลยนะจะไม่กินน้ำจนกว่าจะ แบ่งปันนะให้ทานาคนไทยสมัยก่อนก็ก็คงจะถือคตินี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ทานก็คือบิณฑบาตก่อนที่จะกินอาหารถ้ายังไม่ใส่บาตรก็ยังไม่กินอะไรนะการใส่บาตรนี่ก็เป็นการให้ทานนะเป็นการแบ่งปันที่คนไทยนะทําตั้งแต่เช้าเลย พระสงฆ์หลายรูปนะพระผู้ใหญ่หลายรูปนะี่ท่านก็ถือกตินี้นะเวลาท่านบินทบาทเสร็จนะก่อนจะชันก็จะให้ทานก่อนอาจจะให้ทานด้วยการใส่บาตรกับพระรูปอื่นอย่างสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่เพิ่งสิ้นไปนะท่านก็ใส่บาตรนะใส่บาตรให้กับพระลูกวัดอันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญทานของท่าน แล้วก็มีประโยชน์นะกับพระลูกวัดด้วยนะพระลูกวัดรูปไหนที่ได้อ า, อาหารบินธาบาศจากสติปัสสังฆรงาชก็จะรู้สึกว่าจะต้องใช้อาหารที่ได้มานั้นให้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่กินเพื่อ ป, น, ปอนเปือกิเลสนะหรือว่ากินเสร็จก็ไปเชาวเอ็นเพยนอนนะแต่ว่าต้องทําความดีหรือว่า ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตั้งแต่การศึกษาธรรมจนกระทั่งไปถึงการปฏิบัติธรรมเรื่องทานนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะของคนไทยนะเรว่ากลายเป็นหัวใจนะเป็นลมหายใจของคนไทยสมัยก่อนหลวงพ่อปัญญานะท่านเราวาสมัยท่านเป็นเด็กนะชื่อเด็กชายปัน่นท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านเบื่อมากที่สุดเลยนะก็คือ เอาอาหารหรือเอาขนมไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านคือโยมพ่อโยมแม่ของท่านเนี่ยเวลาได้เนื้อมาเวลาได้ทุเรียนมาหรือว่าได้ผลไม้มาท่านก็จะทำเป็นอาหารเช่นทำแกงหม้อใหญ่หรือว่าทำกะทิหม้อใหญ่ๆนะ ถ้าได้ปลามาเป็นเข่งนี่ก็เอาปลานี่แหละนะมาทาเป็นอาหารนะขึ้นหม้อใหญ่ๆเลยเพื่ออะไรนะเพื่อไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและหน้าที่ในการเอาอาหารไปส่งให้กับเพื่อนบ้านก็เป็นหน้าที่ของเด็กชายปันก็ทำอย่างนี้เป็นประจํานะเด็กชายปันก็เลยบอกว่าเบื่อมากเลยนะตอนนั้นก็พูดภาษาเด็กนะ เพราะว่าบางทีเด็กก็อยากจะเล่นนะแต่ว่าก็โดนพ่อแม่เรียกให้ไปเอาอาหารเอาขนมไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านก็ทำให้โยมพ่อโยมแม่นั้นเป็นที่รักของชาวบ้านแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งด้วยเวลาเวลาชาวบ้านนี่โดนโจนรลักวัวลักควายไป เขาก็มาขอให้ท่านนี่แหละให้โยมพ่อโยมแม่นี่แหละโดยพโยมพ่อเนี่ยไปช่วยหาหาวัวหาควายที่หายให้หน่อยนีหานี่ไม่ยากนะนะไม่ได้ไปหาวั ว, วหาควายแต่ไปหาคนไปหาคนที่ขโมยซึ่งก็มักจะรู้กันว่าเป็นใครนะพโยมพ่อไปเอ่ยปากกับโจรว่านะให้ปล่อยเขาไปเถอะนะปล่อยวัวไปควายไปเถอะคืนวัว ค, คืนควายเขาไป โจรมันก็เชื่อนะอาจจะเป็นเพราะเห็นว่าโยมพ่อโยมแม่ท่านเป็นคนมีคุณธรรมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคยได้รับความเอือ้อเฟื้อเคยได้รับข้าวได้น้ำนะจากโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็ก็เกรงใจนะเชื่อฟังเพราะว่าโยมพ่อโยมแม่ท่านเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เอาอาหารไปแบ่งปันให้กับ บ้านอยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำนะแต่ว่ายังทําอาหารเนีคนแปลกหน้าด้วยมีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมมาเยียนนะสมัยก่อ น, นไม่มีโรงเแรมไม่มีโรงแรมก็ต้องมาพักตามบ้านท่านบ้านท่านก็พอมีฐานะพ่อแม่ก็เลยทําอาหารนะเลี้ยงคนแปลกหน้าอันนี้ก็เป็นประเพณีนะของ คนไทยสมัยก่อนเคยมีคนหนึ่งเขาเขาพูดว่าเนี่ยเขาก็แปลกใจนะที่พ่อแม่เขาเนี่ยนะทำอาหารให้กับคนแปลกหน้าบางทีค่ำค่ำดึกดึกแล้วเนี่ยคนแปลกหน้ามาพักนะพ่อแม่เขาก็จัดการหุงหาอาหารให้บางทีก็ต้องซ้อมข้าวนะในคืนนั้นเลยเพราะสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้มี ข้าวเตรียมไว้นะจะกินก็ต้องซ้อมหรือว่าจะกินก็ต้องอก็ต้องตําข้าวนะก็ต้องตำข้าวตอนนั้นเลยเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงคนแปลกหน้าซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เขาเคยถามแม่เขาว่าเนี่ยทําอย่างนีไ้ไม่กลัวเหรอเพราะว่าคนแปลกหน้าอาจจะเป็นโจรก็ได้แม่ก็บอกว่าเขาไม่ทําหรอกนะ นะกินข้าวกินน้ํำคนเราแล้วเขาจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรนะคนสมัยก่อนนี่แม้ทั้งโจรก็มีคุณธรรมนะถึงแม้ว่าอาจจะมาตั้งใจจะมาป้นนะแต่พอได้ข้าวได้น้ำนะจากเจ้าของบ้านก็ใจอ่อนได้เหมือนกันหรืออย่างนี้หลวงโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อปัญญาเนะี่ยเวลาจะไปบอกให้โจร น, นะปล่อยวัวปล่อยควายคืนเจ้าของไปโจรมันก็เชื่อนะ เพราะว่าก็คงเคยได้กินได้น้ำนะได้ข้าวนะจากบ้านของท่านเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะมีโจรมาขโมยวัวขโมยควายเมื่อไหร่ก็เป็นหน้าที่ของโยมพ่อของท่านแหละต้องไปตามนะและท่านก็เต็มใจนะจึงเป็นที่รักของชาวบ้านภาคเหนือก็แบบนี้เหมือนกันนะหลวงพ่อโพธิลังสีนะ ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เล่าว่าบ้านของท่านเนี่ยสมัยเด็กๆที่บ้านนี้ก็ทํากับข้าวแค่อย่างเดียวแต่ทำหม้อใหญ่เลยแต่ว่าเวลาได้กินเวลากินอาหารนี่มีอาหารหลายอย่างนะได้กินเพราะอะไรเพราะว่าบ้านอื่นเขาก็ทําทอาหารหม้อใหญ่ๆเ ห, หมือนกันแล้วก็มาแบ่งกันนะทำหม้อใหญ่แล้วไปแบ่งบ้านโน้นบ้านนี้ ส่วนบ้านโน้นก็ทำเหมือนกันแต่ว่าคนละชนิด ก, ก็มาแบ่งกันนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำอย่างเดียวแต่ว่าได้กินหลายอย่างนะชีวิตแบบนี้เราก็เป็นชีวิตที่ทำให้คนไทยนี่ถึงแม้ว่าจะลำบากยากจนนะ้งแต่ว่าก็มีความสุขนะมีความสุขใจมีความอุ่นใจนะอันนี้ก็ตรงกับที่เจ้าตัดว่าเนี่ยผู้กินคนเดียวนะไม่ได้ความสุขหรอกนะนะแต่ว่าถ้าแบ่งกันกินนะ เม่อเฟือเจือจานกันก็ได้ความสุขอันนี้เป็นเป็นความสุขที่คนในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะคิดว่าถ้ามีก็ต้องกินคนเดียวหรือว่าต้องมีให้มากนะแบ่งให้คนอื่นแล้วก็ได้กินน้อยลงแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเพราะเขาไม่รู้จักความสุขใจที่เกิดจากการให้อ่าแล้วก็เตี๋ยวเราพร